จริยาปีดกต่อจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะในครั้งที่แล้วเป็นการตอบปัญหาไป3ข้อแล้วเนาะข้อแรกที่บอกบารมีนั้นคืออะไรข้อสองเนี่ยบารมีนี่มีความหมายว่าอย่างไรข้อสบารมีมีกี่อย่างนี่ก็มาขึ้นคําถามข้อที่4ว่าลําดับของบารมีนั้นเป็นอย่างไรใน อตกถาปกินากะกรถ า, าหน้า573ย่อหน้ากโมกโมหรือกะมะตัวนี้แปลว่าลำดับลำดับนั้นปกติมีหลายอย่างด้วยกันเช่นลำดับแห่งการเกิดการเกิดขึ้นอย่างเด็กที่อยู่ในคันเนี่ยมีการเกิดขึ้นโดยลำดับอย่างไรปฐมังกาลังโหติกาลังโหติอภูธังเนี่นะก็ตอนแรกก็เป็นหยดน้ำํำใสๆกลายเป็นน้ําขุ่นข้นอะไรก็ว่าไปค่อยๆ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 ไม่รู้อีกกี่ชาติต่อกี่ชาติเพราะนั่นอะ่ะการสมาทานความเลวยังมีผลขนาดนั้นแล้วความดีไม่ยิ่งไปกว่าหรือเพระั้นการสมาทานความดีนั้นจึง เ, เป็นเหตุให้ได้มีการเจริญเมื่อไปอยู่ณนะที่ใดแห่งหนตนําบลใดพบใดชาติใดก็ไม่ละทิ้งในการเจริญบารมีเพราะนั้นการสมาทานนั้นจึงสําคัญมากเพราะนั้นถ้าหากว่าเราทั้งหลายมันสมาทานในการประพฤติกุศลธรรม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 จะมีผลมากมีอันนิสงมากเพราะผู้ให้มีศีลและผู้รับก็มีศีลถ้าให้แก่ผู้มีศีลก็มีผลมากมีอันนิสงมากผู้ที่ให้ถ้ามีคุณธรรมคือศีลก็จะมีผลมากและมีอันนิสงมากก็เลยแสดงศีลเป็นลำดับต่อมาเพราะคนที่จะให้ทานควรให้ที่ไหนควรให้แก่ผู้มีศีล แต่ถ้าตั้งคําถามว่าทานควรให้ที่ไหนบอกเลื่อมสายที่ไหนให้ที่นั่นแต่ถ้าถามว่าให้อย่างไรและมีผลมากเมียในสงมากให้กับใครจึงจะมีผลมากเมียในิสงมากก็ให้แก่ผู้มีศีลมีสมถาวิปัสนาผู้ที่อบรมเจริญอริยมรรคเป็นต้นเนี่ยให้แก่บุคคลเหล่านี้จึงมีผลมากเมียในสงมากเพราะฉะนนั้ทานอันศีลกาหนดแล้วจึงมีผลมากเมียในสงมากก็เลยแสดงศีลเป็นลําดับ ต่อจากทานที่นี้ศีลเนี่ยนะศีลเนี่ยท่านเอกขมมะกําหนดแล้วศีลก็จะเป็นศีลที่มีผลมากมีนิสงมากการรักษาศีลเนี่ยนะศีลเหล่านั้นเนี่ยถ้าจะเป็นวิเศษสะพากิรยานี้หยุดอยู่แค่ศีลใช่ไหมศีลเนี่ยนำมาซึ่งอวิปปิสารปราโมทปีติปัสสัทธิสุขถ้ารักษาศีลได้ดีจริงมีความสุขทั้งจารีตศีลและวารฤศีลถ้าปฏิบัติตามนั้นอย่างสมบูรณ์จะมีความสุข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 กำหนดแล้วจะมีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะอนุภาพของเนคขมมะอย่างเช่นผู้ที่สมาทานศีลเนี่ยนะเช่นสมท า, านอุโบสถเนี่ยถ้าเป็นสมท า, านอุโบสถเสร็จแล้วเจริญพรหมิหารศีลนั้นมีผลมากไหมบอกมีผลมากถ้าหากว่ารักษาศีลและเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นต้นนี้มีผลมากไหมบอกมีผลมากพันศีลเนี่ยอเนคขมมะกําหนดแล้วจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากเนคขมมะเนี่ยนะ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 ให้ตลอดรอดฟังได้ไหมเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เนคขมมะมีผลมากเมียนิสงมากกําหนดทิศทางของการเจริญอย่างเช่นเจริญเมตตาเจริญไปทําไมเมืเ่อเรามีเมตตามากๆแล้วดียังไงเป็นต้นนั้นคาอธิบายทั้งหมดจะต้องอาศัยปัญญ า, ญญาการเจริญพุทธานุสติเป็นต้นจะเจริญได้อย่างดีและต่อเนื่องเป็นต้นตัวอธิบายคุณธรรมเหล่านั้นก็คือปัญญาปัญญานี้เป็นตัวอธิบายทุกเรื่อง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 ฉลาดนะโอ้โหถ้าอ่านแ ป, ป๊บเดียวนี่ก็เข้าใจหมดรู้หมดเข้าใจไม่ยากคนนี้ขอให้ขยันอย่างเดียวเถอะอย่างที่พระองค์บอกว่าคนนี้ถ้าตื่นอย่างเดียวได้ดีหมดเลยปัญหาว่ามันหลับมากเกินไปแค่นั้นเองนะหรือบางคนเกียดครานมากเกินไปปล่อยจิตให้เป็นไปกับเรื่องอื่นมากเกินไปอย่างหลายคนเนี่ยฉลาดนะเขบอกว่า อ, อ่านพระไตรปิฎกไม่รู้เรื่องจริงๆเขาไม่ยอมอ่านแค่นั้นเองไม่ใช่เขาไม่มีความสา ม, มารถทําความเข้าใจไม่ได้ จริงๆแล้วเขามีความรู้มีความเข้าใจเขามีปัญญาพอจะอ่านได้ความสามารถของเขารู้ได้แต่เขาเอาไปใช้อย่างอื่นหมดขาดความเพียรที่จะเจริญกุศลธรรมนั้นเขาขาดความเพียรที่จะให้ทานขาดความเพียรที่จะรักษาศรรีลขาดความเพียรในการเจริญกรรมฐานขาดความเพียรในการเจริญปัญญาพัน้าเขามีความเพียร น, นะคนฉลาดด้วยขยันด้วยนี่ดีใช่หแต่โดยมากคนฉลาดขี้เกียจ ไอคนขยันก็ไม่ค่อยฉลาดงานก็เลยไม่ค่อยเดินเท่าที่ควรเพราะนั้นถ้าหากว่าคนที่ฉลาดมากแล้วขยันด้วยอะไรจะเกิดขึ้นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเป็นอย่างมากเยนะอย่างคนที่รู้วิธีช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสุขอะแต่ขี้เกียจซาอะไรจะเกิดขึ้นรู้หมดนะว่าจะต้องทำยังไงยังไงบ้างแต่ขี้เกียจพูดอย่างเงี้ยจบเลยเนี่ย น, นะสมมติออย่างว่ามีบางคนมีความรู้พระตไตรปิฎกอย่างดีเยี่ยม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 แรงเร็วฉลาดแต่ว่าไม่อดทนเนะจออุปสรรคนิดๆเข้าหน่อยเนี่ยนะเจอคําชมเข้าหน่อยก็พรองเลิกเลยเจอเข้าด่าหน่อยเจออุปสรรคหน่อยเนี่ยนะเนะขาบอกว่าคําว่าอดทนเนี่ยทนได้ทั้งคําชมและคําด่านะหมายคก็ว่าถึงได้รับคําชมก็บางคนเนี่ยนะเลิกเลยถูกชมมากๆเลิกบางคนถูกด่ามากๆก็เลิกฉั้นคนที่มีความอดทนนั้นจะเจออุปสรรคทั้งถูกชมและ ถูกด่าก็ไม่เลิกหรืออันนี้นี่ยกโลกธรรมฝ่ายนินทากับสันเสริญทีนี้ในขณะเดียวกันเจอโลกธรรมอื่นๆอีกก็ไม่สามารถทำให้ยุบหรือทำให้ฟูครับว่ามไม่ทำให้ยุบหรือไม่ทำให้ฟูสามารถที่จะดำเนินกุศลธรรมเหล่านั้นต่อไปเป็นไปอย่างต่อเนื่องอันนี้อาศัยขันติคือความอดทนอดทนทั้งโลกธรรมฝ่ายดีอดทนทั้งโลกธรรมฝ่ายร้ายบางคนเนี่ย ให้ทานรักษาศีลเจรเนฆา ม, มะอบรมปัญญาวิรยิยะไปหน่อยเพรป่วยก็เลิกเลยเนี่ยนะบางคนเนี่ยทำตอนป่วยพอสุขภาพดีก็เลิกเลยอย่างนี้นก็มีทําจนหายป่วยเลิกก็พอหายป่วยเสร็จก็เลิกบางคนเนี่ยพอทําจนป่วยก็เลิกแต่น้อยมากที่จะเจริญได้ทั้งป่วยและไม่ป่วยก็เจริญได้ทั้งหมดทั้งสุขและทุ ก, ก็เจริญได้เจริญได้ทั้งเวลาสุขและเวลาทุกอันนั้นคือเรียกว่าสัญชาติแห่งคนมีความ อดทนเนี่ยนะคนที่มีขันตินั้นก็คือคนที่สามารถให้กุศ ล, ลธรรมเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่คิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคไม่ได้มองว่าอะไรเป็นปัญหาในการเจริญกุศลเพราะั้นภาพเพียรพยายามได้อย่างต่อเนื่องเพราะฉะคนที่มีความเพียนและเป็นคนที่มีความอดทนนั้นนะ่ะนะความเพียร น, นั้นจึงจะมีผลมากและมีอันนี้ส์มากทีนี้คนที่มีความเพียนเนี่ยนะ อาศัยขันติเป็นเครื่องกําหนดแล้วขันติล่ะจะต้องมีสัจจะไม่งั้นเนี่ยถามว่าทนไปทําไมทําไมต้องทนด้วยถ้าถ้ามีคําถามว่าทําไมต้องทนทนไปทําไมอย่างที่บางคนเขาบอกโอ้ยผมเนี่ยทนทนท น, ทนจริงๆแล้วทนไปทําไมคําถามว่าทนไปทําไมครับรักษาสัจจะเขาบอั้นเพราะว่าได้เคยพูดเอาไว้ว่าจะต้องทนจะเจออะไรก็ต้องทนเพราะคําพูดที่ตัวเองเคยพูดเอาไว้เลยก็เลยจําทนว่าบอกงั้น เพราความอดทนนี่บางทีก็เกิดจากสัจจะเกิดจากนนะวจีสัจจะเคยคําพูดที่เคยพูดไว้อย่างเช่นพูดว่าจะต้องให้ทานพูดว่าจะต้องรักษาศีลเจริญเนกขมมะพูดว่าจะเจริญปัญญาพูดว่าจะเจริญวิรยิยะพูดว่าจะมีความอดทนแล้วก็พูดว่าสิ่งที่ทําทั้งหมดเพื่อโพธิญาณเพื่อการตรัสรู้เพราะคําพูดเหล่านั้นเนี่ยถือว่าเป็นทิศทางเนี่ยนะครับคนที่มีความอดทนได้ก็เพราะดํารงอยู่ใน สัจจะเพราะมีวจีสัจจะแล้วก็มีญานสัจจะแยกแยะรู้เพราะว่าได้เคยพูดเอาไว้อนะอย่างบางคนเนี่ยเป็นคนโลเลหน่อยนะถ้าประกาศโพงไปแล้วก็ถือว่าไม่เลิกยังไงก็ไม่เลิกนะยอมรับอดทนทนได้เสมอเพราะอะไรเพราะคําพูดมาค้ำคอตัวเองไว้เรียบร้อยหมดแล้วงนั้นบางคนนี่แกล้งให้เขายืนยันสักพักหนึ่งถ้าเขายืนยันเสร็จก็ถือว่าเรียบร้อ ย, อยนะยืนยันว่าเอาจริงแน่เนี่ยนะเจริญกุศลจริ ง, รงไม่เลิกไม่ราเป็นต้นเนะ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 ท่านบอกว่าใครที่บอกว่าจะให้แล้วไม่ให้ตายแล้วตกนรกอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราจะให้ไม่มีเหตุผลใดที่มาขวางบอกให้อย่างอื่นเธอพระเจ้าค่ะเขาไม่ได้ขออย่างนั้นเขาขออย่างนี้แล้วเราก็จะบอกว่าจะให้อย่างนี้เขาขอตาเราก็บอกจะให้ตาเขาไม่ได้ขอช้างขอมาฉะนั้นขอตาให้ช้างให้มาได้ยังไงครับคนที่บอกว่าจะให้แล้วไม่ให้ตายแล้วตกนรกเป็นต้นนะท่านก็หาคาพูดมาคาของท่านแล้วท่านตั้งใจอย่างมั่นว่า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 เนคขมมะวาจาสัตว์ก็เปล่งออกมาใจที่ตั้งมั่นคือทิฏฐานอธิษฐ า, านคือใจที่ตั้งมั่นเปล่งสัจจะวาจาว่าจะให้ทานรักษาศีลเจริญเนคขมมะอบรมปัญญาภาคเพียรด้วยวิริยะมีขันติแล้วก็ใจตั้งมั่นในสัจจะว่าจะต้องรักษาสัจจะอันนี้ต่อไปใจมั่นเสมอในสัจจะไม่ยอมเปลี่ยนจะด้วยเหตุผลใดก็ไม่ขอเปลี่ยนใจตอนแรกเขาบอกว่าไม่เปลี่ยนวาจาก่อนใช่ไหมว่าคําไหนคํานั้น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 เมตตาททุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่าสรตวสัตว์ทั้งหลายพันจิตใจที่ตั้งมั่นเพื่อจะให้ทานก็จะได้มีมีความสุขต่อผู้รับรักษาศีลก็เพื่อให้อภัยต่อผู้รับเหมือนกันพันทานก็คือวัตถุทานศีลก็คืออภัยทานที่เหลือก็เป็นลักษณะของ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 เมื่อท่านทําเสร็จท่านตามลำเลิกไหมว่าฉันให้ของเธอเท่านี้นะฉันนี่ให้อภัยเธอมาตลอดเลยนะรู้ไหมว่าเนี่ยนะฉันให้ความรู้เธอไปเท่าไรให้ให้ให้ให้ใ ห, ให้ฉันเนี่ยให้ไปเท่าไรแล้วเนี่ยนะติดเลยไม่ติดหรือบางทีเนี่ยติดว่าแม้นี่ฉันให้ขนาดนี้เธอยังทําร้ายฉันขนาดนี้หรือเป็นต้นเนี่ยก็จึงอุเบกขาแบบไม่ติดใจเลยแต่นะสิ่งที่ทำํำก็ทําไปแล้ว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 พูดแบบภาษาไทยแล้วรียกปล่อยเต็มที่เลยนะปล่อยวางเมื่อทำเสร็จเรียกว่าปล่อยวางทีนี้นปล่อยวางแล้วบางคนเนี่ยหยทำไมปล่อยเสร็จแล้วอยู่เฉยๆใช่ไหมไหม่ให้ทานต่อไปให้ทานเขาเรียกว่าทำกิจกรรมใหม่ๆไปเรื่อยๆสร้างกุศลและทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มจนกว่าเรียกว่าบา ร, รมีจะเต็มตรัสรู้ได้ทุกอย่างนี่จะเป็นลาดับอย่างนี้แล้วก็ทาน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 มันถ้าแต่ถ้าหากว่าเราไปตามระลึกเฉพาะผู้ที่เราทำให้เนี่ยนะแม่เมื่อไรเขาจะคิดถึงเราว่งไงก็กลายเป็นตามมาด้วยตันหาตามมาด้วยอภิชาและโทมนัทถ้าเขามาอย่างที่ใจนึกก็ดีใจถ้าเขาไม่มาอย่างใจว่าก็เสียใจก็เพราะไม่มีอุเบกขาห่นเองนั้นเมตตาที่ที่มีอุเบกขาจึงเป็นเมตตาที่มีผลมากมีอ น, นิสงส์มาก หรืออีกในหนึ่งบอกว่าอุเบกขาอันกรุณากําหนดกรุณาอันอุเบกขากําหนดหมายคือว่าแล้ว อ, อุเบกขาที่มีผลมากมีอันนิสงมากเพื่ออะไรเป็นกรุณาอย่างแท้จริงเนะเป็นกรุณาจริงๆว่าที่อุเบกขาก็คือบางทีเนี่ยนะไอ้ถ้าไม่มีอุเบกขาเลยเนี่ยนะช่วยเหลือเขาจริงได้ไหมไม่ได้เพระะนันจะต้องทำทำจริงๆละการกระทําการบําเพ็ญบารมีทั้งทั้งสิประการเนี่ย วัตถุประสงค์หลักอยู่ที่ว่าเปลื้องสัตว์ให้พ้นจากทุกข์วัตถุประสงค์อยู่เท่านั้นเพราะบารมีทั้ง10เนี่ยมงกุฎของบารมีอันนั้นสุดท้ายก็คืออุเบกขาแต่ที่อุเบกขาก็คือเพื่อช่วยให้เขาประสบความสุขช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์วัตถุประสงค์คงเดิมคือทําชนิสัตว์ทั้งหลายจึงจะได้พ้นจากความทุกข์ทีนี้บอกว่าปรารถนาที่จะช่วยทําให้สัตว์พ้นทุกข์เนี่ยนะ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 ควรจะแค่ไหนอันนี้คือว่าทําแบบคนมีปัญญาใช่ไหมคือว่าถ้าทําแบบนี้เนี่ยจะไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนผู้อื่นถ้าทําไม่เป็นนะถ้ามีแต่กรุณาเบียดเบียนตนถ้ามีแต่อุเบขาไม่แน่อาจจะเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยนะเพราะว่าคนอื่นเสื่มประโยชน์ก็ถือว่าเบียดเบียนผู้อื่นเนนะี่ยนะหมายความว่าแทนที่จะพอจะช่วยได้ก็กลับไม่ช่วยดังนั้นอุเบขาเนี่ยทำให้ไม่เบียดเบียนตน การุณาทําให้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นพันจึงบําเพ็ญคุณธรรมเหล่านี้ได้อย่างสม่าเสมอแต่ก็ไม่ใช่อุเบกขาทั้งปีแต่ก็ไม่ใช่การุณาซะจนก็ว่ารู้ความพอดีอ่ะนะเป็นกาละวาทีบุคคลรู้ความเหมาะความสมรู้อะไรสมควรเมื่ อ, อไรอย่างไรเนี่ยเป็นสแสดงว่าต้องมีปัญญามากเลยนจึงจะเจริญได้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 จะไม่กินก็ไม่ใช่กินแต่ว่ากินด้วยบ่นอย่างเงี้ยนะคำบ่นก็ทนไปเถอะให้เขากินได้ก็ถือว่าเอาละให้เขาอิ่มเขามีความสุขก็ใช่ได้เขาจะบ่นบ้างก็ทนเอาเนี่ยนะผมว่าเขาไม่ต้องไปฟังถือว่าเนี่ยเสียงนกเสียงกาไปมันนสิการเสียงอื่นๆไปก็แล้วกันเนี่ยนะไม่ต้องไปสนใจฟังเสียงบน่นเสียงนั้นหรอกเหมือนกันพันกิริยาที่ไม่เหมาะสมที่สัตว์กระทําออกมาเนี่ยนะอย่างเช่นช่วยเหลือคนอื่นปรารถนาคนอื่นให้คนอื่นประสบความสุขความเจริญ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 แต่ไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรแล้วมันนั่งเฉยๆเราบอกจบแล้วจบแล้วเฉยเลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่หมายคําว่าทําทุกอย่างอย่างสมบูรณ์เพียบพร้อมเสร็จแล้วอันนี้ถือว่านัยยะที่หนึ่งะนะพูดถึงลําดับนัยยะที่หนึ่งที่เป็นไปโดยลําดับว่าทุกอย่างนั้นจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้มีผลมากมีอย น, นิสองมากมีผลมากมีอย น, นิสองมากแปลว่าทุกอย่างจะช่วยกันทําให้กําไรแต่ละตัวดีขึ้นอมีย น, นิสองแปลว่ากําไระนะหมายคําว่าศีลจะช่วยให้ทานนี่มีกําไรมาก เนคขมมะก็ช่วยให้ศีลเนี่ยมีกำไรเยอะปัญญาก็ช่วยทำให้เนคขมมะมีกำไรมากวิริยะก็ทำให้ปัญญามีกำไรมากขันติก็ทำให้วิริยะมีกำไรมากสัจจะก็ทำให้ขันติมีกำไรมากอธิษฐานก็ทำให้สัจจะมีกำไรมากเมตตาก็ทำให้อธิษฐานมีกำไรมากอุเบกขาก็ทำให้เมตตาเนี่ยกำไรสูงเนี่ยนะเพราะถ้าทำตามนี้บอกทุกอย่างกำไรดีหมดเลยกำไรคืออะไรผลที่ออกมา สัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยนะเั้นผลที่เกิดจากการการลงทุนอันนี้เนี่ยผลผลลัพธ์ก็คือสัมมาสัมโพธิญาณได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดว่าเป็นไปตามแผนเหมือนกันฮะเพราะเป็นไปตามแผนเป็นไปตามอย่างโครงสร้างที่วางไว้ทั้งหมดจนได้ตรัสรู้ตามนั้นอย่างแท้จริง